โอ้เทวาเทวดาหะายกูเ ท, ทวาบุตรเนาะเดี๋ยวไปไมิต่เ ท, ทวดาหะายะฟังได้ชัดเจนอยู่ตัวอีสานฮะเออพอได้บ้างเออฟังไปติกต๊กติ๊กมึงก็ชิลุนเนาะอันนะ่ะเสียงอีสานพึ่งมือข้างนี้เองเนาะ ก่อนมันก็เพื่อผัดกลางลงปูพ่นก็ว่าไปแล้วผักกลางนารกสวรรค์นี่อย่างพ่นเผาว่าไปแล้วสแสดงไปแล้วว่าแม่นว่แต่ละหลุมแต่ละองค์ลงปูอีสานมาผัดไปทางนี้ ไ, ไปจังไหนอีวันเนี่ยเอาอีหยังดีนะาะวันนี้เนาะอนุโมตติดหรืออนุโมตตั้งหรืออนุโมตตัด อ, อนุโมตตั้ง ตั้งละเด้นนโมก่อนที่ห้ยินอ่ามันเรืองที่ล่ะคนห้ามันตางผาาตางภาษามันเสมอกันโดยคือขาดทีขันหาเสมอกันแต่สำเนียงทั้งภาษานี่มันต้องต่างกันห้าต้องสังเกตบึงฝรั่ง คนไทยคนจีนพมา่ากัมเมชนไปคุณนละเสียงบลเสียงเดียวกันทันเนียองของคนเต็มละประเทศคนละเสียงเนาะเออมานีอีสานก็ภาคกลางภาคใต้เป็นอย่างไงมันไปคุนละเสียงอยงี้จีเป็ดไก่กานก เสียงเดียวกันหรือไปคนละเสียงอันนี้เราก็ต้องสังเกตมันก็ขาสองปีกสองขึ้กันละกากากับไกรเป็ดกับไกรแต่เสียงมันเป็นอย่างยังโบกขึก้นคนเฮ้ามันก็คือกันมันี่ขาสองแขนสองหัวหนึ่งเสมอกันคือขันหากับธาตุสีมนั้นแตกต่างกัน ก็มันยืดนยาวก็กันกรมีวันนีอายุสั่นๆกระมี่อายุยาวกระมี่วันนี้หลายปีลูกกระพอกกระเมยขอดออกมาเลี้ยงออกมาแล้วนาทีได้เผาเมยเผาพอมีนพอม่เอาไปมาให้ให้พ่อให้แม่ได้มีนสบกรมี่มันเป็นเพราะยังละบัณ ล้วก็ต้องพี่เจรณาหนันกปฏิบัตินักภาวนานักแสดงหาบุญหากุศลเพื่นสอนให้เสียกรรมมนเนี่พระพุทธเจ้าเป็นบ่สอนให้เสื่อนี่ยอื่นกรรมพามาไปก็กรรมพาไปเราทีตัดสินใจเฮ็ดยังไหนมันนี่ยที่สางกรรมดีหรือสี่สั่งกรรมบ่ดีอันนี้มันอยู่แต่ละบุคคลที่เลียก นี่แหละโลกกับถ้ำนี้ไกลกันเมื่อไรต้องไปน้ากันโลกก็อาศัยถ้ำถ้ำก็อาศัยโลกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันหนักไปทั้งโลกหลายขันเมนแต่งหาบก็เป็นค้อนโลกาที่ปเตยยะไหลธรรมาที่ปเตยยะนี่น่อย ฝักไฟไปทั้งบุญทั้งกุศลนี่น่อยไปทั้งบาป ท, ทั้งอกุศลนี่หลายนั่นและแต่คนอยู่ในนี่บนหน้หน่อยๆน่อยแต่ว่าเห็นมาเท่านี้นะบุถึงร่อยเต็มยังไรมันเนี่ยมันทิเป็นขางว่วกับขนง่วงนี่เนี่ยเนาะคนขางว่วนี่เขาไปหาสินหาธรรม หาสวรรค์หานิพพานคนงัวนีมันก็เลื่อยจิบไปทั้งคนนะทั้งนรกทั้งอาวิจีสนางกันไปเรื่อยๆดินิยมกันไปองันแล้วความแสวงหาเหนี่ยก็นำําพอันใดก็ยังมากเป็ยังบมทานาอันมากลายอยู่กับใดวันน่อยู่กับสัทธา ศรัทธาคือควมเสื่อภาษาธาควขมเหลี่ยมใสเหลี่ยมใสในถ้ำคำสังสอนของพระสัมมาทิฏฐเจ้าเพื่อนก็สอนให้ไปให้ค้นไปทั้งดีโบสอนให้ไปทั้งตัวแล้วแต่คนหักไปรับสินไปเมื่อยกยกไปวังหันก็นได้เมืุ่กู้คนสินแต่หักบมี่โบมี่ สินเฮียสินขาดสินสมองสินด่างสินพ่อยสินอะไรได้สินเมื่อทุกคนอยู่เนี่ยบุคคลแต่ว่าหากบุมีสินก็มีเป็นยังอ่ะรักษาบ่ได้ได้แต่คำการประพืชปฏิบัติบ่ได้เหมือนกับมีเครื่องปูกันแล้วเพราะว่าพืชเรามีแต่เราบ่ได้ปรับปรุงเราบ่ได้รักษามันก็เลยบ่งาม อันนี้คือการละศีนเยอะกับตัวหายตัวมันเนี่ยหลวงปู่หลวงต า, าเพื่อมิตรชี้แน่หอกขอเท่านั้นปาน่าทินหน้ากาเมมุษาสุราได้นี่แหละมันอยู่กับตัวของเจ้าของเองศีนก็ได้จำล้มกายว่าจาให้เรียบร้อยซื่อว่าศีนเพื่อบอกไว้จังสันด้พระบจ้า ก้มรักษาใจมันชื่อว่าสมาธินี่กมรับรู้ให้กองสังขารชื่อว่าปัญญาบดไดรไลเออร์สนันทร์ท่านนี่โทษที่เกิดเพราะกมลเ ม, มินในขอที่พระพุทธเจ้าห้ามนี่ยังแนมันในพนหามป่าหน้าบ่คาสั์อัินาบ่ให้รักกาเมบ่ให้พระพุทธพิที่กรรมมุสาบ่ให้ตัวบ่ให้โกหก สุราบ่ให้ดื่มดืมมันก็นเลยมีแต่โทษมันนี่เราที่เอาโทษหรือที่เอาคุณอันนี้เราต้องตัดสินใจเองแต่ละคนเอาคุณสุราหน่มันดีใจมันก็ดื่มเสียใจมันก็ดื่มนินทกินแก่กลุ่มมันวนี่อันนี้ล่ะั่านดื่มออกไปแล้วมันก็เลยผิดผิดสินข้อหา ก็เลยเรียกว่าเออนามเปลี่ยนนิสัยใครกินเข้าไปก็เลยปากกาหนาด้านกาพูดกาจากระทำบ่ได้เรียกพระกินพระก็เมาเทวดากินากาเทว ด, ด, ดาก็เมาหน่ายเพื่อเพราะว่ากินเมาหนุ่กันหมดนี่แ่ะเราเห็นจังไหนที่ตัดมันออกได้หายมันไกลไป เมาในก็เพราะแห้งแล้ววันนี้มิยังไงล่ะเมาในเมากิเลสเมาตัณหาเมาอวิชชาเมารัพสมบัติทาราภัตเมาวันนี้ขันเฝ้าเลียงเมาปลอยเลียงติดมันก็ติดไปหมดละวันติดรูปติดเสียงติดกินติดรสติดขันติดสนติดซ้ำท่ำนั่นเออ ไปทั้งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อันติดลูกติดเสียงติดกินติดรถบอรลู่จักออกนี่ลำบากนั่นแหละติดไปทางหนักมันก็ดทุกข์มันเนี่ยต่เริ่มติดนี่ก็ทุกข์แล้วเริ่มทุกข์เริ่มทุกข์เริ่มท่ำกรรมท่ำคมทรมาน เบิ่งไปเบิ่งไปแห่งทุกมีแต่ทุกอยู่นาทุกคนมันเนี่มีเงินกับทุกเมื่อมีกับทุกที่กล่าวเรียงทุก ท, ที่กล่าวเรยงโล ก, กเอออยู่กับโลกเลยแบบนี้มีแต่โลกมนุษย์เราก็เลยเป็นหน่วยเพราะทาโลกเป็นที่ไหวทุกเก็บทุกสะสมทุก การเรียงโลกกัสะสมโลกเอ้าลายบางโนโลกอยัางนี้จะคุโลโพโสตตาโลโพสิวหาโลโพโลกในหูโลกในตาโลกในจมูกโลกในลิ้นมีกันมีโลกันนั่นแหละก็ทุกข์ละวันนี้เจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บลิ้นมันก็เลยทุกข์คนทุกท่ายกันเลยอยู่นั่งกองทุกข์วันนี้มนุษย์เรา เราจะทิ้งไหนจึงที้นนี้ออกจากถุกได้นั่นละ่ะหาทางออกทางไหนละ่ะโอ้ทางบาุตรบุเกิดบุแกบุเก็บกบุบาตา ย, าตายมีทางนิพานพระพุทธเจ้าพูดบอกไว้แล้วด้นิพานังปรามังสุญัะพระ น, นิพานเป็นสุนยญายินแล้วบุญใดมักเกิดอีกเลยก็บมญที่ถูก ขั้นเกิดเมื่อแล้วก็ต้องทุกข์มันต้องเก็บต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดในเบืองต้นแต่ในทรามกลางดับในที่สุดโบเลียจะคนที่นางยืนในในอาคารนี่ในหอนี่ไปหมดฮิตเตอร์ซาหรือเรีวก็รันเท่า น, นั้นละ่ะแล้๋วก่อนจะตายจะไปเล่าสิสั่งอีหยังไว้เท่า น, นั้นละ่ะ อุปกรณ์การก่อสร้างพาะกระเมให้มากครบมดเลยโมว่วายิง่งโมว่าไสา้ขาสองแขนสองหัวหนึ่งตากระ ส, สองหูกระสองเลยเราที่สั่งนี่ยังมันที่สั่งสวรรค์บ่หรือที่สั่งหลกนี้จากมีไปแล้วเราทีไปใส่เราทั้งเราคนจีเหตุทุนทางไปแล้วบ่เห็นทางไปแล้ว รีบดำเนินสิ้นลมหายใจไปแล้วหมดธาหมดหวังหมมีสิทธิ์จะทำบาปก็บอไไรทำบุญก็บอะไรท่านสิ้นลมหายใจแล้วหมดสนทิศแล้วไอ้หนาพุ่งยังวะหายรีบทำรีบหารีบพุ่งคั้วรีบสแสวงเซอแสวงหากะ ที่อยู่ที่อาศัยเราที่ไปทางไหนเท่านั้นแะไปทางนั้ น, น, นโลกบก่หรือที่ไปทางสวรรค์มันมาน้ำกันนี่บุญกับบาปเล่าเกิดมานี่ยมันมาน้ำพรอบบาปกับบุญมาน้ำกันนรกกับสวรรค์มันมาน้ำกันเหมือนกระบอกเ้าวนล่ะะบอกเ้าลูกเดียวน้วยเดียวนั่น กะทิมะพร้อมน้ำมันมะพร้าวกะม้าพร้าวเราอยากได้กะทิเราจะทำกะทิมะพร้าวเห็ดยังไงแล้วก็ต้องการน้ำมันมะพร้าวจะทั้งยังไงนั่นแหละคนคนเทาคนหนึนน่งคนหนึ่งมันเป็นแบบนั้นมีสวรรค์มีนรกมานั่งเปรียบว่าเปรียเหมือนกันบบกพร้าว ม, มันต้องมีกะทิอยู่ทุกหนทุกลูกแล้วบะพร้าวกันแล้วก็มีน้ำมันอยู่ทุกลูก เ้าต้องการนา้ำกะทิหรือต้องการน้ํามันมะพร้าวเราก็ต้องทอออําออกจังไงอีกเคยทําอยู่วันนี้กะทิมะพร้าเคยนีมเคยเออก่อนที่ได้กะทิมันออกไม้ที่จังไงมันี้มีมีดบแมแนบอกมีดมะปอกเปียกมะพร้าวออกไปเห็นกระลาแข็ง มีดฟันกระลาแบบเผ า, า, าเผาออกไปเลยเห็นเมื่อบกเผ า, า, ากันจึงได้ขูดลงมาขันออกกะทิเป็นกะทิแล้วจเจ้า น, นี่อาน้ำกะทิไปใส่หมอกข้างไฟเจียวเข้าไปเป็นน้ำมันมีดคือไม้เอาใส่บัล น, นี่แล้วก็ไม้เอาศิล น, นี่แหละสิเป็นมีดเป็นสัตตาเป็นอาวุธ ตำหรับปอกบักเ้าฟ้าบักเ้าขูดบักเ้าคันเราบ่มีสินเราก็บ่ไหนเล้วกะทีบกักเผาเที่อ า, ทอามืดฉีกเอาเร่องทีก็บ่ไหนมันโบ อ, กออกต้องเอามีดฟันมีดก็คือสิ น, นเราบ่ไหนอ้อขันผู้ใดอยากมีมีดมีดนังเนย่ยเออรักษาสินหาสินหนี่แหละเป็นสินเบียงตน้น ถ้ามีสินหาเหมทุคนรักษาได้หมตุก่อเลยโอ้สบายคนสมัยปัจจุบันวัยรุ่นนั้นมันขาดสินหานี่ยนะมันเกิดเรดลำบากเดือดร้อนประเทศไทยท้าพุดอันนี้มันเอาไปอาม่ามันที่พูดแต่ในน้ำานะี่ต่อไปมันขาดท้ำ ขาดสินขาดทำโลกกับธรรมมันเป็นของคู่กันมั น, นมีอยู่สีข่ข้อตั้งแต่มันตามโลกเไยทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลียนลู่จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกโทษีหรือพอหาปอหกจบ จะมีท้ำสนับสนุนท้ำสนับสนุนจุนเจียมันท้ำหยั่งหละบมันี้คืออิทธิบาทสีสันทะวิริยกิตติวิมังสาเออเอาใจฟักไฟในชิ้นนั้นเอามันตีต่อในชิ้งนั้นขาดขอไรขอหนึ่งนี่กิจการงานต่างๆบรสําเร็จนั่นแหะโลกกับถ้ำมันเป็นของครูกันไปทั้งท่นมานี้ที่เป็นหัวหน้า เป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวปะหัวหน้านําประเทศปะก็ต้องมีท่ามชีคออีกคือพบมีหารซีปันนี้ถ้าขาดพบมีหารซีนั่นที่เป็นใไ่เป็นโตัวนั้นก็บริบสุทธิ์บุญแบบขาดท่ามชียังนี่นตากรุนหน้ามูนที่ตาบเบกขาดนี่นั่นแหละเป็นหัวหน้าเป็น ยังก็ตามแต่ละบนันนันต้องมีถม้ำมณีพ้นสั่งมาบอกพ้นสั่งไหวบอกไหวอย่างสันติพระพุทธเจ้าพ้นเรียกว่าถ้ำเป็นเครื่องยูของท่านผู้ใหญ่คือพบมีหานสีผู้ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่ก็เริ่มแล้วนั่นเริ่มให้มีไฟนั้นจังครบสูตรครบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ามคุ้มข้องโลกคือฮิริโอตปาอันนั่นละ่ะท่ามอันทัพให้งามสองอยางอีกคือขันติสรุร จ, จักถาบ่ามีขันติสรุร จ, จักก็บาเกิดขันติคมอมดทนสรุร จ, จักคมสงบสงเงยให้มีขันติและสรุร จ, จัมันต้องเกิด กิจกรรมาะยาัดนิ่มนวลอ่อนย่นอันนี่แหละท่ำอันทําแห่งอัมสองอย่างเป็นสอนไว้จังสันนี่พระพุทธเจ้าพวกเล่าเป็นเศร้าพูดก็ต้องตามร่องรอยของคนทำกุ้มข้องโลกวันนี้ฮิริอุตตปะปัมันขาดท่ำชีขออนี่แหะที่ยางนี่แหละโลกเศร้าพูดเมืองไทยเฮ้ามันจังเดือดร้อน ฮิลีออตปาไม่หาความเก่งกลัวมิได้หาความละอายไม่ได้มันก็นเลยทำไปแบบบ่มีอย่างอา้ายบ่มีข่มเก่งกลัวมันเลยกล้าทำกลายเหตุกล้าพูดในนั้นมังขาดทำยังทีละกอโลกวัตถิเดลออนถ้ามีหิลีมีออตปา ม, า, มามีข่มเก่งกลัวมีข่มละอายยุ่นสบาย ทำที่ย่างนี่แหละเพิ่มมาเพิ่มกล่าวไว้มันเป็นท่เราก็ต้องพยายามเป็นหัวหน้าเป็นคู่เป็นในจาย์เป็นนิยังก็ตามแต่ละเป็นผู้ทําแล้วก็ต้องฝึกหัดดัดนิสัยของลูกๆหลานผู้เกิดใหม่ในหลังให้มันเข้าไปในจ่องนี่ยังที่บดได้เลือดร้อนทําบาปทํากรรมหนักมาหลายเพราะสมควร ลูกหลานแต่และคนนี่นั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่มีลูกมีหลานทั้งนั้นเลยนี่กันช่วยบอกกันมันบาปจึงท่นบุญยังที่กระสอนทำกรรมมาตั้งแต่พูนคนเฮาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในทองแม่ทุกคน ถ้านทรมานจิตใจของมั่นดาผู้ตังท่องตังขั้นมันนั่นะนักใจมัตตพุนละอัดขอดออกมาเลยก็เออไอเพิ่นเลี่ยงเพิ่นอับหนามเส็ดขี้เงี้ยวใหแม่เป็นผู้เสดพู้ล่างถ้านุทน้อมกันมากไงคือมั่นได้ไอได้ไม่มันพ่อเจ็บมือวะล่ะ เ็ดมือหรือแปดเก้ามอตอนนั้นกาลังเป็นผีดูดเลียดดังยนนีคือที่ด้คยได้ดุรเลียดอยู่ที่นี่เนาะนั่นละ่ะยังแบบเบานั่นั่นเล่นตั้งเหงวตั้งเหงาจนนั่นเป็นผี ด, ด, ดูเลียดเลียดของมันด่างล้ บีบข้างขึ้นไปบวมความขึ้นไปบวมมันที่เป็นสีเหลียดน้ำนมคนแรกเคยเรียงบุตรนั่นล่ะปู่เขเลยเอามันเป็นผีดุริเลตโตขึ้นมานี่เป็นผีดุดทรับดุดสมัติั้แล้วนี่ผ่านทรับผ่านสมัติของมิดามันด่นั่นล่ะ บุญคุณของบิดามันดามันมากม่ก า, กายกวามแล้วลูกบุตรบางคนก็บอกคิดถึงมันบกคิดถึงบุญถึงคุณของบิดามันดาผู้เลี้ยงมาผู้ให้เกิดขาพ่อขาก็ขาก็นมีเขาตบตีก็ตบตี นั่นมันบาปหนักมันนี้พึ่งก็เกาวไว้แล้วปีตุขาดขาบิดามาตุขาดขามันดาอนหันตะขาดขาพระอรหันทำลายโลหิตตุบาทของพระพุทเจ้าถึงห่อขึ้นไปยังทรงให้แตกกันอีกอันนี้พึ่งหามมันนี่หามสวรรค์หามนิพพานพึ่งจัดเขาไปในอนันตริยกรรมหาหามสวรรค์หามนิพพาน มีดามั่นดาของเรามันเป็นพระอาหารหันต์ของบุตรเป็นพ่มของบุตรแล้วที่ไปตบตีวางข้าหยาบคายใช่ไหมไรบาปนั่นละ่ะเริ่มทากรรมทำทรมานมาตั้งแต่ตั้งขั้นในทองจนแต่อยู่ในทองแม่ตั้งขั้นอยู่พึ่งน้นมเลียดทุกยดอยู่ในร่างกายมันของแม่ แม่ให้ให้น้ำถาดน้ำเรียกว่าอาโปธาตพ่อให้ธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตแม่ให้สิบสองพ่อให้ยี่สิบร่วมเงินแล้วเป็นเท่าไหร่ฮะ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 ถึกตาถึกตาดมาทุกคนคันเบาให้ฟังกที่อ่อนเลยนะคนหอดบันอ่อนบันอ่อนที่เข้าใจแต่สิดือ่อใช้โลกใเฮียงเลยออกมันเกินนี่งานหลัดตดออกคือใช้ดือตดทุกคนไปวิวมงจัง น, นึงก็กถามมาย่อนมา แม่เป็นผู้ตังทองตัง้งขั่นเป็นผู้ถือผ้าหรือทองไงก็ได้ขึ้นในหน่อยก็พอหรอวนี่พ่อให้ยี่สิบแม่ให้ชิดสองให้ธาตุน้าดีเลจเลน้องเลือดอยู่ในร่างกายอันนี้ือเรียกขาดค่ดนี้เอาว่าพอเป็นถุงเปรียบเทียบเหมือนกับถุงถุงยาง หรือเหมือนกับติ๊กนาวใช้นามอยู่ในฮันฮันมดนนมีแนว่หุ่มเนี่ยหอนามอยู่ในที่ไหลหนีหมดแหง่งหนังหุม่มโทวตัวรอบตัวอยู่นี่เลียดน้องทะเลนิยังต่างๆอยู่ในบ่ไหลออกกระเพาะมีหนังหนังนี่เป็นธาตุดินเป็นของพ่อ ก็เลือยไหลกูของแม่มันนี่เพราะห่อหุ่มไปอันนี้ดีเข้าใจยัมั้งนี่อ่าถ้ามันไม่เนวห่อหุ่มนี่น้อยู่ในร่างกายที่ซึมนี้แหงแต่เดนนี้กัยังอยู่แลวามันไม่เนี่วห่อไม่หุมไหุมยังน ม, ม่นมร้รอกว่ามีดกีบเพิงเนาะกินหนังขาดออกมามันที่เป็นนม้มจี๊แดงๆที่ไหลออกมา นั่นแหละมันมีน้าซึมมองว่ากระเพาะมีหนังซึมนี่แหละหุ้มไว้คือถาดของพอถาดพอเลยหุ้มไว้เหมือนก็ะเรานุ่งเสือนุ่งหาหุ้มหนังไว้นั่นแะอันนี้คือที่เป็นที่ทำนองนั่นกพอที่ได้หลที่เนี่ยถาดนัก ธาตุดินนี่ปตวีธาตุดินเป็นธาตุที่เข้มแข็งแข็งแกร่งธาตุของแม่นี่มันอาโปูธาตุอนว่าอาโปูธาตุนี่มันธาตุน้ามันที่เหลวว่ายโย่กับเตโชนี่ธาตุไฟกับธาตุลบนี่เออพอกระแม่ให้คมอบอุ่นขันมีเตสอสองธาตุนี้ ตังงดหมดอยู่ซื่อๆนี่แหละเนี่ยไม่แต่ดินกนับนัมเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้บาทนี้มันก็เลยมีล่มกับไฟล่มนีสิพัท์ไฟมีไฟขึ้นก้ากกาก้าห่อนเดียดน้ำอยู่ในร่างกายนี่ก็เลยเป็นเปรยวพุ่งไปเลอยสุดปลายมืไปายเท่ามันเกิดเลยเคลื่อนไหวไปมาได้ ขั้นร่มดับคนร่มอ่อนไฟก็อ่อนขั้นร่มดับไฟกระดับขั้นไฟดับแล้วก็ร่มดับแล้วก็เรียกว่าตายติีงไม่ได้แข็งต้นงดอยู่ซึ่งๆนี่ีแต่ดินกับน้ำย้อนบ่พ่อสามจีขึ้นตึงขึ้นมาแตกไหลยเยิ้มออกมาทั้งจมูกทั้งปาก เป็นสีซุ่มผู้เป็นปลวกฟ้องเป็นปฟ้องคือผงนี่ก็มี่มันเนี่ยปูมออกมาอันน่ะมันก็เลยซึมละล่ายไปตามพื้นนั่นแหะมันเนียน้ำธาตุดินก็ทับถมกันอยู่นั่นแหละก็เลยเปลือยละล่ายไปไฟก็ไปตามอากาศ น, นั่นและร่มก็ไปตามอากาศอากาศร้อนไปไฟไป อากาศร่มเย็นเย็นไปอากาศร่มไปนั่นลหละแต่ว่ามันขาดอะไรคือถาดร่มกับถาดไฟมันถาดไฟกับถาดร่มมองอยู่แลยเออตายดับแต่ก่อนมันลดไฟปูรไอคจากหอลลมพงไปฮอนอุดรขึ้นหนึ่งดเดียด ขั้นแตที่แปดนั่นดีกว่าหอดอูดดอนแก้งเป็นอย่างมันซาทัวงที่ไปหอดบนสถานีย่อยๆบนไม่แหงเขากองไว้กองไว้เหตุเป็นลาเป็นลาบเป็นลารถ ไ, ไฟไปหอดทันสถานีนั่นก็คนเข็นกันขึน้นไฟลูกบุก บ, บแตกเลียวขันมันไฟอ่อนลุ้งกับเออซาามันรถไฟ เคื่อมือนี้มันสบายในหัวดีเซลต่กกอนเอานั่นลัดถุ่มไฟนั่นแหละจนได้เศร้าชีเศ้าเคือมือนี้รถไฟว่ามันซ่าอันนนอ่ะอันคนเฮาก็คือกันนั่นแหะมัน้มอดบุญถาลมพัดไฟหมดแล้วก็เออเหมือนแล้วมันนีเ่าแกสล่าสูงอญุมาก ล้มกับอพอนไหวกัอ่อนเมื่อลยบวงบ่อบอันแข็งและบ่เนี่ยไปได้นกับเมื่อยเที่ยงแต่คนประตูประท่าอยู่ทั้งบันนอกมันหน้าบัดที่ลูกนี่ก็ได้ข่มกุกูเกยขมพื้นจังลุกได้แล้วลูกขึ้นมาแล้วก็ยืนนิ่งอยู่จะคู่นี่แหละจังเดินไปได้เป็นอยังลับปดแอลกับขา ข่มเถ่าข่มแก่ข่มสะลา่านีแต่สิสุดต้องไปเรื่อยๆในคนนอกนั่นแหละเมื่งเตี่เดียนก็นแล้วกันน่ะเดียนนี่มันกันลังขึ้นก็เท่ากับถ้าลูกกาลังเกิดกําลังคลอดขึ้นมาเดียวนี่จะคํคแาแล้วนี่สองสามคำแล้วเดียนที่พูดลื่ขึ้นมาอะไรนี่ไปถึงชิดซีชิบหาเมื่อนี่ที่เต็มดวงเลย แสงกระสหยฮอันนี้แล้มใบแล้มใบคำหนึ่งสองคำลีลุ่งลีลุ่งน้อยเข้าไปเรื่อยๆวันนี้อายุสังขารของคนก็นกนบบวแตกกลางกันเนาะมือนก็เดียว น, นั่นแหละขึ้นวูวูขึ้นมาห้าชิพหกชิพเคร่ง ข, ข้ น, ขนหรือค่อนแล้ววันนี้ค่อนไปคนไปมัไม่ย้อนกลับขึ้นจากเถื่อวันนี้เท่ากับเมฆเข็มนาฬิกานะ มันจะเรื่ไปไปไปใบหนึ่งใบสองตีหนึ่งตีสองไ ป, 1, 2, 3, 1, 3, 2, ไปชีวิตกรอบของคนก็เป็นแบบนั้นแหละมันไปเรื่อยบ่มีที่สอยหลังแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็บ่มีส ท, ท, ที่ยังยืนเท่าไรไปแต่งกันเมื่อตายลูกเดียวแล้วก่อนจะตายเขาจัง เพื่อให้ทำขมดีขมงามไว้ันละ่ะมันจมันขั้นตีนลบหมายใจแล้วก็หมดสิทธิีทำบาปก็ทำมาไดา้ทำบุญก็ทำมาไดา้วิ่กินยังก็กินมาได้ลมันี่อ่านี่หละมันเป็นมาจา้จังสั้นทุกคนเนีเกิดมาแลวาวใ้เรียกเอาทังไหนมันเนี่ยให้เรียกเอา ใช่ทีเริ่มขันกะทิมะพร้าวอยู่วะเดนนี่ยเือผู้บางคนก็บทเริ่มเกี่ยวน้ำมันเอาน้ำมันเอาเห็ดเอาทั่วเหล่านี่มันจังใดบุญบาปม า, านั่กันนรกสวรรค์ก็ม า, านั่กัน พิจตวาเราจะเรียกเอาอะไรก่อนที่เรียกก่อนที่ไปสวรรค์เราก็ต้องมีสีละไม่ท่านาไม่เพราะวันหน้าไม่เรามีแล้วหรือยังถ้ามันยังโมท่านได้เกิดได้มีเพรยาะย่ามเหตดเพราะย่ายา่ำทำทิ้งเหล่านั้นแหละมันที่พาไปสวรรค์ไปนิพพาน เพื่นสอนว่ายังสั้นว่าังสันนี่พระพุทธเจ้าแต่เราเป็นลูกเศร้าพุทธคนไทยเศร้าพุทธเล่าก็ต้องตามแล้ววันนึงหนึ่งเล่าที่คิด่าจังไหนเราที่คิดถึงศาสนาพุทธทพุทโธนูโมเมนต์สิเออมือนี่วันศิลปวันพระเราจะไปตั้งภาวนาเราพสั่นภาวนาบริกรรมาพุทโธพุทโธ พุทธานุตติธรรมานุตตติสังฆานุตติมือหนึ่งหนึ่งต้องเราเราเราเราเราแห่งมันอยู่ในใจมันก็เลยติดนิสัยมันก็ได้ดีบริกรรมไปทั้งพุทธานุสติธรรมานุตติสังฆานุตติเหนือพุทโธพุทโธเข่าพุทออกโทโธทำไม่ได้เข่าว่าออกก็ตายทางทำไม่ได้ออกว่เข่าก็ตาย ว่างอันนี้เราก็ต้องพยายามที่เจรณาเบิงมันตายหรือบ่าตายเนะาะวันกระเบิงให้มันเห็นแต่จิตมันบาา่าเทาตายก็บ่าตายจิตอะ ข้งพุทธการน่นนะพระพุทธเจ้าน่นนะสาวกของพระพุทธเจา้าถามปัญหากันพระสตูบอุภาจามกกษาตริบุตรถามปัญหากันพระขีณ า, าสพตายแลย้วเป็นอะไรวะนั่นพระษาตริบุตรก็เลยตอบเฉลยว่า หลบเวทนาสัญญาสังขารมันดับพระขีณาสุภไม่ตายพระท่านก็คือจิตนั่นแหละพระขีณาสุภถามย้อนขอ เ, อเขา้าไปอีกเอายังมาเปรียบเทียบพระท่านพรยาโมกถามย้อนเข้าไปอีกสายริบุก็เลยบอกว่าทานเรานังอยู่เฮียนหอเลื่อนหอของเราที่พักที่นอนที่หลับที่นอนที่ น, นั่ น, นของเรา ไฟไหม้โค้งหลังคาข้างบนนั่นนะ่ะพังลงมาใส่เราเราจะนั่งให้ไฟค อ, อกตายยั่ไงหรือวะที่มีผู้กล้านั่งอยู่ให้ไฟค อ, อกตายบ่ถ้าต้องออกประตูน่ะตางไหว่าสันอันนี้ก็สันใดวะสันนี่จิตของคนเล่ามันก็ต้องออกจากาง ออกจากล่างเขาก็เบิ้งแหละมันใล่างเขาเอาไปเผาไปจี้กันมันในจิตไปทั้งไหนมันเนี่ยนึกคิดมหมูมีเพื่อนอยู่ทั้งไหนทั้งไหต้องไปยึดตรงนั้นละ่ะก็รเลยไปขอพัก ที่พักอาศัยเพราะได้รับได้นอนเรียกว่ายังอ่ะคัแมนไฟกรรมฐานทุดงกัสบสปายะหาที่พักที่ประกดแขนกดที่เหมาะสมงขั้นที่ว่อยเลี้ยงกรรมก็เออเลี้ยงทั้งธรรมะกัเรียกว่าอุปทานยึดมันถือมันในสิ่งนั้นไปยึดอยู่หันก้อยู่หัน ก็เลยไปเกิดนิหันะมันไปเกาะคลองหันอุปทานคือค้อมยึดยึดมันคือมันน้ำพุพวกน้ําลูกน้ำหลานก็เลยที่ไปเกิดน้ําเป็นลูกของลูกเป็นลูกของหลานไปแล้วฮที่หาทางนี้ยังไงได้บ้างดีหาห้งลูกหง้งหลานก็ที่ไปอยู่หันละมันยึดนัน่นละ่ะมันก็เลยกลับเวียนตายเว้นเกิด เฉพาะมนุษย์ว่อ น, นเวียนตายเวียนเกิดแจังไหนจังที่หนีจากความเกิดได้กะพ้นก็นบอกทังอยู่เลยดิยังพ้นก็เอาไว้ใ ห, หมืลยพระพุทธเจ้าพนบอกไปนะพ้นให้ว่างท่านพนให้ตัดให้ว่างแล้วคนห้องมันก็บรรยว่างแล้วไมต่ติด กับตั้งขึ้นมาเรื่อยๆก็เรื่อยติดนาโมตัสสมันก็เปเลยเป็นนาโมติดสะติดลูกติดหลานติดกินติดรถสารพัดติดตั้อเห็นลูกอันนั้นงามอันนี้งามเสียอันนั่นงามคล่องเท่าอีหยังตามแต่ลมบาอตอนลดงามงามติดก็เลยไปซสือไปค้นคว้ามาซสือมาไห กางรูปท่าว่ามันหอมยี่ห้อ น, นั้นยี่ห้อ น, นี่เลกเข้าไปห่อนแอบเมย์ซื้อมาใส่ราคาสูงว่าไหนก็ซื้อติดบระจันต้องติดนั่นหละมันติดรูปติดเสียงติดกินติดรสวันนี้อาหารยี่ร้านนั่นร้านนี่แซ่บอร่อยไม่ลดอร่อยดีซื้อมากิน เอาเรงติดเนี่ยเหตุยังไงมันสิบบทิบดมันจะออกทุกหนี้ได้กับปัญญาย่ำนั่งภาวนาทั้งหลายทั้งปวงนั่นนักภาวนานักแสวงหาบุญนั่งคิดมึงดูเหตุยังไงมันจึงสิบบทิบดขั้นติดแล้วขั้นมุมมี่มมี่ใส่กับเอา้าที่ถูกหรือที่มีวันเลยมันก็เลยเกิดมีถูกขึ้นมาทั้งถูกทั้ง ม, มีมาพร้อมกันนี่มันเลยมีอยังไงมีถูก พราะมันขาดจริงแล้วนั่นจริงต้องการมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมากเหตุยังไงมันที่หนีจากทุกข์ได้วะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องใส่โมฆะคิดใส่ปัญญานั่นแหละมันติดติดจนโมูะจากออกก็มีเมือนกระตุม้อนนั่นแหละตุม้อนตุ้มไม้นี่ลักษณะม้อนไม้นั่นน่ะมันก็หลอกมันฟักหลอกมันน่ะ ว้นทั้งนอกเข้าไปในว้นไปว้นไปลักตัวเจ้าของจนเหน่นอยู่ในหัอเลยตายค่าฟักหลอกฟักไม้อันั่นละมันลักษณะนั่นราศีออกราศีออกหาวิธีออกเดืดหาวันนั้นเอาแบบตัวมอนโอ้ไปมดเลยโจม ตุ่มอนตมมอนฟักหอห้อเจ้าของเฮ็ดเอาแง่เจ้าของเกลียวเจ้าของห่อไ้เลยออกไม่ได้มีแง่แก่ๆไปข้างหมอเอาหมอดใส่น้าไปเลยข้างไฟไไน่นปยฟดลวงๆยมไปใส่สาวเอาหง่ใหม่ออกทุนั้นเลยต่ายค่ากันนี่นั่นแต่ละสุดนี่เมนตีจโต้ัน้นั้นนั่นะ ส้างบาปสั่งกรรมมั่บ่หน่อยคุณฮูอันนี้เราก็ต้องหาหนักภาวนาฮาู้ก็ต้องพญายามหาทีออกนะทั่งออกส้างบาปสั่งนั้นมากพอแห้งแล้วเออโง่เขามาหาจินนาธรรมกันนิดหน่อยบย่ได้นำเนินให้มันค่งกัน มันก็นเลยควอนันนี่ยขนไปทั้งโลกาทิปเตยยะธรรมาทิปเตยานิดเดียวมันเนี่ยแตงหาบมันก็นเลยค่อนกันหนักทั้งโลกหลายนั่นแ่ญญนกนะก็ย้อนคมติดคมชอบติดกินติดรถติดลูปติดเสียงเสียงไพเราะเสียงลูกสดสวยงดงาม รถ ด, ดีรถแซ่บรถอร่อยติด <c oughs> หเหตุยังไหนมันซิบติดเขาก็ต้อ ง, องพยายามออกตายเห็นรูปอันนั่นงามอันนี้งามนนงามาอยากได้ก็เลยติดได้เอานั่นละ่ะได้ลูกมากก็ต้งลูกก็เอาเข้ากันละวันนี้ พอพอกับแม่ผ้าผ้าเป็นแล้วเล้เป็นแม่แบบแม่พิมพ์เราก็ต้องทํำดีๆบนนงให้มีสินมีทํามให้รู้จักประมาณในการใส่ของบาฟุ่งเฟือยประหยัดถึงทุกกระโบทุกหลายอันนี้มันเกินอยู่ในในบ้บานท่อประเศเท่อ ใส่ของรถกว่าจักกว่าจักขั่นเห็นหลุใไม่ออกมาง่ามหลซื้อติดวายัางเงินติดรูปวะมันลหละมันมีนาทียังสันน้นนิจตามันเข่าทั้งตายพี่ดอกแต่วันมันสรงลงไปพุ่นมันผู้ตัดชิ้นใจเป็นพุ่นอยู่ง่ายขุ้นยิดใจ เสียงเอยียงเพ่งอันนั้นไปเลาะมวลชอบเขาหูทรงลงใจกินอันนั้นหอมตื่นใจทรงลงใจน้ําสือรสอันนั้นแทบอร่อยดีทรงลงใจหน้าที่เขาเป็นสนั้นดนลีน ที่เอาพริกเอาเกียมาท่าน้ำแขน็น้ำมูนี้มลูเจียกร้บนลูเผ็ดบมลูเข้มติดปลายลิ้นนิดเดียวรู้สึกร้อเคยได้ปรุงอาหารอยู่วัเนี่ยอมงด้วนว่าจีบบังเอิพดีกันพาดีเอ้ยมันพราเกียแต่าเกำปลามาหยดลงใส่นอื่นูสึกี่ใส่หมองอื่นติดปลายลิ้นนี่รู้สึกทันทีนั่นแหละ มันมีหน้าที่คนละหน้าที่นี่หูสําหรับรับเสียงนั่นเสียงนี่ตาสำหรับเบ่งมองนั่นมองนี้มองรูกดีรูกพอดีจมูกนี่ก็เออสืบ ก, กินกินเห็นกินหอมกินคิวกินสารพัดละ่ะเขาหันที่เขาทังหูปหลุกสึกกินท่านเขาทั้งจมูกปลุกสืบรด เม็นคุยข้าวในเขาหันลูกนั่นแหะมันเป็ี่นคนละน้าทีจังสั้นเนีเ่ยวายยังไงอินซี่หกเป็นใ ย, ยในการดูงูเนี่ยเป็นใ ย, ยในการฟังดังเป็นใ ย, ยในการดมลิมเป็นใ ย, ยในการลิมรถกายเป็นใ ย, ยในการสัมผัสการสัมผัสกายมันก็ ร, รู้สึก เย็นร้อนอ่อนแข็งดูอันนี้แหละเพื่นว่าอินชี้หกก็เรียกเขาเรียกว่ามันปิดไงในการดูการฟังการดมกันอ่ามันมีหกหกทางเขานน่วะหกประตูเขานิติเมืองไกนน่นครนึทางเขาเมืองไกนน่นคร เขาั้งตาเขาต้องหูเขาต้องจมูกเขาต้องปากทั้ ง, ง, ง, งลิ้นสัมผัสทั้งกายการกายไปสัมผัสเอออันนั่นนิ่มนนุ น, นดีไว้อ่ อ, อนนิ่มพัดไปติดอีกแล้ว น, นี่นี่แหละมันข่าทั้งสามทั้งหกทา่านแก้ไขวันเนี่ยขั้นเล่ารู้สึกเลยแก้ไข ขั้นติดหลายกระทุกหลายนี่ขันมันบูมีกระทุกอีกลร ว, วันนี่เจ้าพอดีเนอะมีเงินร้อยล้านสองร้อยล้านนี่อย่าว่าเยาวาจิเป็นสุกนี่นั่นแหละมองทุกข์นี่รถลหลายขั้นกระทุกมีลูกบ้า น, นี่ลูกชายลูกสาว เออมันไปหันไปนี่แม่นี่สีนอนมาหลับค่อยแต่ฟังเสียงประตูปดก่อรลั่นก่อนเสียงล่างเท่าเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงรถเก๋งรถยางกระตามแตกละวบิดหันเออขึ้มาอะไรก็เสียงก็แก้เขาในห้องเออแม่ก็พอนอนหลับท่านนอนมาหลับคิดน้องลูกเหรลูกนี่เป็นต้นเหตุ ให้แม่ทุกมานี่คั้นหาหาเงินหันอนี่บุได้ลูกเกิดเลยฟัดพอฟัดแม่ก็มีมันขอ้อปอกแปก๊กปอกแปก๊กคือลูกขิกพอเลี้ยงลูกขิกบ่หู้หรอกเหะเนะาะบุได้เอามาให้เขย่าพวกงี้นี่ยืนแค่ได้แทนสามนอนตีงนี่มันที่ฟัดปอกแปก๊กป๊กแปก๊ก นั่นแหะมันก็เลยเป็นลูกขิกลูกคอลูกหันพอ่อฮั่นแม่ก่มันที่ฮั่นพอ่อฮนแม่ส ม, มนิปเปินแหงเป็นหาย น, นิไหวรุนเส ม, มนเป็นอย่างว่าเป็นหายนิพอ่ออกมาแบบมันก็ท่านเป็นผีดูดเลียดแม่หายหน้าหายหานมหนิบอกเกินสองสองอาทิตย์สามอาทิตย์หายเศร้าดูด อานอมกระป๋องมาให้ดูดมันเนี่ยดูดจนใหญ่จนเป็นไวรุ่นให้เป็นไวรุ่นแล้วมันก็น้ำของนอมสัตว์นมกระป๋องมันไม่เป็นของสัตว์อุปนิสัยมันก็เลยเป็นนี่คล้ายๆกับสัตว์บอกยากสอนยากมันเนี่ยบอกไปบอกมาห้านนอดพอนอนเมย์ห้านย า, ากหลายก็เลยเอาไปวาดพูดหายลุงปู่ลงุงตามั เค่นันเอาไปมามาข่าหอดเจ้ า, าวาดัด น, นี่นิสัยสัตว์นันเป็นเร่งสั้นดินี่ล่ะะพ้นจ้งให้แยกให้สนอนเนาะวัดจังสิมันมีอยงอ่ะพุทธวดัาวาดธรรมวัดทางสวดัดขอบวัดอันเดียวแบ่งเป็นสามเขต เขตพุทธวดธรรมวาด ส, สังฆวาดบานนี้บ้านหลังเดียวก็แบงเป็นสามห้องเคยได้แบ่งไม่ได้แยกมานี่ต้องแยกห้องพ่อกับแม่อยู่น้วกันห้องลูกชายอยู่ห้องหนึง่งห้องลูกสาวอยู่ห้องหนึง่งแยกกันนี่คะ่ะ เก้าปีต้องแยกที่นอนออกจากพ่อจังแม่ผู้ยิ่งก็ได้ผู้ที่ก็ดีท่นสั้นมันกามตัวเดียวกันกับสัดสัดดีรษานเนี่ยกามตัวเดียวกันมันก็เลยเกิดอันตรายกัแยกออกทั้มือนี้มันโงเจะว่าพ่อจังไหนแม่จังไหนลูกจังไดนแล้ววันนี้เป็นประกันกับมี่นั่นแหละมันนิสัยของสัตว์ดีรษานเนี่ยจังไหนแล้ววันนี้ มันบอกคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์มารู้บ่ได้คำนึงถึงมันเป็นนิสัยของสัตว์นี่ชาดีชันแล้วคนห้องกับที่ไปทวันนิพพานนี่มันก็ยากแล่ามันทุกมือมันนิสัยสัตว์มันหลนี่น้ำรอเลี้ยงร่างกายมอาบำบัดบำลุ่งสมองนี่มันมีตั้งแต่ของสัตว์หล นั่นแ่ะคันโมเอวิลีโมฟังนี่เุมือเนี่ยฮั่นพอหัน่นเม่มันต้องเข้มแข็งมันมีจักไหและหาไหวทีไว้พึ่งไว้พบไว้เพีย้ยนไว้พักไหวภาคขั้นไหวภาคนี่ตายที่เหนเี่ยเผา ผัดภาคจากของลกของจเจริญใจทั้งสิ้นไปพากันวากันอยู่นั่นละ่ะหักกันแห้งกันปันนัยมันก็ต้องแยกย้ายก็ออกจากกันไปไว้พบนี่ก็ทุมือนมนห น, นิมันแห่งคักมินโทรศัพท์สมัยแครนสัญญาโท้นัดพบกันหันนัดพบกันนีไว้ลุ่นนั่นละ่ะไ ว, พว้พบนั่น ไว้เพี้ยนนี่คือยี่สิบามสิบอยากได้อยากดีอยากมังอยากมีก็วิ่งเต้นหาซื้อหาขายหาทรัพย์ระพัดะแันแต่งงานอันนี้มันไว้ไว้เพีย้ยนไปพักนี่ก็หา6ิบกิขั้นพักแล้วไปสมัครงานทั้งไหนก็บม่ได้แก้กันแ้เวเล่าที่ไปใส่ให้บนี้ งานของผู้เฒ่าของอายุขนาดนี่ที่ไปใสต้องเคาหาศีนาถ้ำอะไรบ้านี้มันบาเป็นนังขั้นมันนี่ยสมมุตินี่เฒ่าจะได้เฮ่งอยากได้หลายหวงนําลูกหว่หวงลูกหวังหลานวิ่งเต้นคุ้นขวยบ้านี่คุกคี่กับลูกกับหลานนี่นั่นน่ะมันก็เลยเอาไปเอามากก็เลย นี่ยังฮะเอาคือกลุ่นหมดท่านอุ่นหมดเลย ไ, ได้แล้วบ่ววไหวหมดเลยเบิ้งนี่นและนันลิกาตัวเป็นนันิกาบ่ฮะใช่ะคือโกหก <laughs> เออรับชินไปยึกโยกแล้วเจ้าขาดเจ้าขาดแล้วกันเป็น น, นันิกานี่เนี่ เมื่อท่านมีภูมิบางทำนี้ในตัวเลยหลังยังไม่ได้บอกว่าหลังเปอ้าตัวเป็นนานิกาบอเจ้าข้าว่าท่นตัววังเคยนั่นกันยออันว่าพระโลมนี่ยเออผู้ขาดีแข้งซ่าขาดีก็บรรับใส่ว่าท่านบอกเนี่ยเออไม่เป็นปน้ำบุญวาสนาของปูนี่แหะ ว, ว่า่นอก แล้วก็พบที่ศาสตร์นี่ปัจจุบันนี่ตัวเป็นเออตัวันแาคนโบซ่าขาโบเกิงเน่ยตัวเป็นเงาะซะถอดไวน้นี่แล้วไปทั้งหนาพุ่นเอ้าไปน้าวางถอดไว้นี่แหะเอาไปมาตัวให้ตัวเอาสินสมาธิปัญญานี่ไปขั้นไปลายสนสมาธิปัญญาไปแล้วก็เออตัวที่มีไฟแดงก็ไม่ลดซุ้มแข็งดีขาดีนี่ที่มีไฟแด ง, ต, ดงติดนั่นติดนี่ค่านั่นค่านี้ค่าไฟแดง ก็เลยไปโบท่านคุ้นขาห้างแล้วัเนียคุ้นขาห้างนี่ไปโบมี่ไฟแดงนี่นี่ยังเคียงผูกพันมันบาหลายมันก็เล่นไปได้สะดวก